าาสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านรายการสาระความรู้เพื่อสุขภาพในวันนี้ผมจะได้นำเอาเรื่องขององค์ความรู้และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับน้ำหมักชีวภาพผักขาวตองมาเล่าสู่กันฟังครับน้ำหมักผักขาวตอง มีกรรมวิธีการผลิตแบบน้ำหมักชีวภาพซึ่งเกิดแอลกอฮอล์ขึ้นในขบวนการประมาณ 1-2% เซแล้วแต่กรรมวิธีของผู้ผลิตสามารถที่จะแสดงฉลากเป็นไวน์สมุนไพรหรือสุราชแช่หรือไวน์หรือไวน์ผลไม้ได้เพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของไวน์สมุนไพรผมจะได้นำเอาบทความที่เขียนลงในจดหมายข่าวผลิตพัธฑ์สุขภาพชุมชน จะทำโดยสำนัก ง, งานคณะกรรมการอาหารและยาโดยอุตสนาประจงเรื่องการผลิตสุราชแช่ต้องขอออยอหรือไม่ลงในวารสารดังกล่าวเมื่อเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมพศ2 5 4 4หน้าที่9ถึง10มาอ่านให้ฟังดังนี้นะครับในบทความอุตสนาประจงเขียนไว้ว่าสุราต้องแสดงเครื่องหมายออยอในฉลากหรือไม่ ถึงแม้ว่าสุราจัดเป็นอาหารตามพระราชบัญญัติอาหารพศ2552ก็ตามแต่ไม่ต้องแสดงเครื่องหมายอยอในฉลากเนื่องจากกรมสรรพสามิตดูแลตามพระราชบัญญัติสุราอยู่แล้วและต้องได้มาตรฐานตามมาตรฐานการผลิตอุตสาหกรรมจึงได้รับการยกเว้นการขออนุญาตสถานที่ผลิตและผลิตภันจากสำนัก ง, งานคณะกรรมการอาหารและยา แต่ฉลากจะต้องแสดงคำเตือนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่177พศ2540ว่าโดยเรื่องการแสดงฉลากสุราน้ำหมักชีวภาพจากผักขาวตองมีกรรมวิธีการหมักคล้ายกับการหมักน้ำส้มสายชูจากผลแอปเปิลแต่มีความแตกต่างที่ดีกว่ากันก็คือชนิดของจุลินทรีย์ที่เกิดขึ้น ในทังหมักน้ำหมักชีวภาพผักข่าวตองและระบบนิเวศวิทยาของทังหมักที่ช่วยส่งเสริมการออกฤทธิ์ของน้ำหมักในการกระตุน้นภูมิคุ้มกันและเสริมสุขภาพในกลไกลอื่นที่ยังไม่ทราบแน่ชัดหลายประการเช่นเรื่องของไบโอโฟตอนหรือพลังชีวิตซึ่งเป็นเรื่องใหม่ในวงการแพทย์เรื่องของสารเบต้ากลูแคนที่เกิดขึ้นในกระบวนการหมักที่สามารถจะไปกระตุ้น เซลล์ต้นกําเนิดหรือเต็มเซลล์เรื่องของการดีท็อกหรือขจัดพิษโดยสารประกอบบางอย่างที่อยู่ในผักข่าวตองเรื่องของการช่วยปรับปริมาณของเชื้อชูชีพหรือโปรไบโอติกที่อยู่ในทางเดินอาหารเรื่องการช่วยย่อยและช่วยดูดซึมสารอาหารเข้าสู่ร่างกายได้ดีขึ้นและเรื่องอื่นๆอีกหลายประการที่ทาให้ผลการทดสอบ ต่อภูมิคุ้มกันในมนุษย์และสัตว์ทดลองมีประสิทธิธภาพค่อนข้างดีจากประสบการณ์เราพบว่าเชื้อจุลินทรีย์กลุ่มแลคโตบาซิลัสสามารถกระตุน้นภูมิคุ้มกันในหนูและภูมิคุ้มกันของหนูที่เกิดขึ้นสามารถที่จะไปกำจัดเชื้อก่อโรคหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นเชื้อโรคที่ทำให้เกิดแผลที่ผิวหนังเจ็บคอหรือ ท้องเสียต่างๆได้ดีในขณะที่ความเข้มข้นที่ใช้แม้แต่ใช้ในขณะที่มีความเข้มข้นค่อนข้างน้อยสาหรับเรื่องของพลังชีวิตหรือไบโอโฟตอนเป็นรูปแบบของคลื่นแสงที่พืชสะสมจากแสงแดดในระหว่างการเจริญเติบโตและได้จากการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตในในถังหมักซึ่งในทางวิทยาศาสตร์ถือว่าเป็นพลังชีวิตสามารถถ่ายทอดจากแหล่งสะสมหรือ ในใบพืชผ่านไปให้แก่คนและสัตว์ที่กินพืชในระบบห่วงโซ่อาหารได้ดังนั้นผู้ที่รับประทานน้ำหมักสมุนไพรจากผักขาวตองก็จะได้รับประโยชน์ต่อสุขภาพองค์รวมหลายประการสำหรับผลการวิจัยเรื่องความปลอดภัยของน้ำหมักชีวภาพที่มีหลายท่านสงสัยอยู่ผมดำเอาข้อมูลบางประการอย่างเช่นกรณีของ การวิจัยโดยสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติร่วมกับคณะเภสัชาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งมีการวิจัยแล้วพบว่าน้ำหมักส่วนใหญ่ปลอดภัยต่ อ, อการบริโภคและมีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายอย่างในกรณีของธาตุโซเดียมหรือโพแทสเซียมที่มีข้อสงสัยนั้นจากการวิจัยในครั้งนั้นเราพบว่าน้าหมักชีวภาพส่วนใหญ่ มีธาตุโซเดียมตั้งแต่ 0.01-1.46 ถึงมิลลิกรัมต่อซีซีในขณะที่ค่าแนะนำให้คนไทยปกติควรจะได้รับธาตุโซเดียมวันละ 1,100-3,000 ถึงมมิลลิกรัมสำหรับธาตุโพแทสเซียมที่พบในน้ำหมักงานวิจัยพบว่ามีปริมาณ0 0 1ถึง 2.21 มิลลิกรัมต่อซีซีซึ่งค่าแนะนำให้คนไทยทั่วไปกิน มีค่าเท่ากับ 1,875 ถึง 5,625 มีกามต่อวันจะเห็นได้ว่าถ้ารับประทานน้ำหมักชีวภาพในขนาดที่แนะนำทั่วไปจะไม่มีอันตรายหรือมีโพแทสเซียมมากเกินเหมือนกับที่หลายท่านมีความกังวลอยู่และไม่เป็นอันตรายต่อคนที่เป็นโรคไตจากการรับประทานโพแทสเซียมมากเกิน สำหรับสารเบต้ากูแคนที่เกิดขึ้นในกระบวนการหมักเมื่อเข้าสู่ร่างกายผ่านทางเดินอาหารและสัมผัสกับเซลล์หรือกลุ่มเซลล์เนื้อเยื่อที่ทำหน้าที่ผลิตสารผูมคุ้มกันที่เรียงรายอยู่ตลอดทางเดินอาหารเม็ดเลือดขาวชนิดมาโครฟาจจะดักจับและย่อยเบต้ากูแคนออกเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนำเข้าสู่ไขกระดูกทำให้กระตุ้นการผลิตเซลล์ต้นกาเนิดหรือสเตมเซลล์ sel. และกระตุ้นการแบ่งตัวของเซลล์ดังกล่าวแล้วกระจายไปยังจุดที่ร่างกายต้องการและไปเกาะในตำแหน่งที่สึกหรอที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าโฮมิงสตีมเซลล์เองมีคุณสมบัติพิเศษในการเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้เป็นเซลล์ที่ร่างกายต้องการเช่นสตีมเซลล์ไปเกาะที่ตับอ่อนซึ่งมีหน้าที่ผลิตอินซูลินเซลล์จาก ไขกระดูกก็จะเปลี่ยนร่างตัวเองหรือ Differentiate ไปเป็นเซลล์ของตับอ่อนเพื่อซ่อมแซมเซลล์ตับอ่อนให้เป็นปกติสามารถที่จะปรับและทำให้โรคเบาหวานมีอาการดีขึ้นซึ่งเราอาจจะเรียกปรากฏการณ์ดังกล่าวว่าเป็นพลังในการรักษาตัวเองหรือ Life Force Healing กรณีดังกล่าว System c e ล์สามารถ รักษาโรคได้อย่างกว้างขวางแทบทุกชนิดเรื่องของสเต็มเซลล์เป็นเรื่องวงการแพทย์ใหม่ซึ่งหลังจากที่นยบายผู้นำระดับโลกคือประธานาธิบดีบาม่าโอบารักแห่งสหรัฐอเมริกาได้เห็นความสำคัญของการรักษาโดยการใช้สเต็มเซลล์หลังจากเข้ารับตำแหน่งท่านได้อนุมัติให้มีการวิจัยเรื่องของสเต็มเซลล์ ทำให้เกิดการใช้เทคโนโลยีสเต็มเซลล์ในการรักษาโรคภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวางและมีการพัฒนางานดังกล่าวอย่างมากมายสำหรับในวงการแพทย์สากลรแล้วถือว่าเรื่องของสเต็มเซลล์เป็นความก้าวหน้าและจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญในวงการสาธารณสุขผู้ป่วยจะได้ประโยชน์ในการใช้เทคนิคการกระตุน STEM ้นสเต็มเซลล์ในการดูแลส่งเสริมสุขภาพ หรือสามารถรักษาโรคร้ายแรงที่ไม่สามารถรักษาในอดีตได้สำหรับถักข้าวตองที่นำมาทำเป็นน้ำหมักสมุนไพรข้าวตองนั้นคุณสมบัติในการบำรุงสุขภาพมีหลากหลายดังที่ผมจะได้นำมาเล่าให้ท่านฟังดังต่อไปนี้นะครับข้าวตองมีชื่อทางวิทยศาศาสตร์ว่าฮุต u เนีย o อ da ตาทันในภูมิภาคเอเชีย ข่าวตองทั้งต้นใช้บรรเทาอาการของฤทธิ์สีดวงทวารขับปัสวะแก้อาการอักเสบแก่ลมพิษใบแก่บิดในประเทศเกาหลียังใช้ผักข่าวตองในการรักษาโรคความดันโลหิตสูงเส้นเลือดแข็งและมะเร็งในจีนใช้ทั้งต้นขับปัสวะโรคทางเดินปัสสวะในประเทศญี่ปุ่นจีนเกาหลีและอินเดียใช้ทั้งต้นเป็นยาลดไข้ขจัดสารพิษ รักษาแผลในกระเพาะอาหารและการอักเสบรวมทั้งรักษาพิษแมลงกัดต่อยใบยใช้กินเป็นอาหารสำหรับในประเทศไทยใช้ผักข่าตองในยาแผนโบราณและยาพื้นเมืองมานานแล้วโดยใช้ใบเป็นยาแก้การมาโรคทําให้น้ําเหลืองแห้งแก้โรคผิวหนังแก้พิษฝีต้นแก่ฤทธสีดวงเช่าเขาเผาโมงใช้ผักข่าตองเป็นยารักษามาเรีย ข่าวตองมีสารประกอบทางเคมีที่สำคัญหลายชนิดเช่นน้ำมันหอมระเหยเือปีนฟลาวโวนอยด์อัลคาลอยด์กรดไขมันสเตอร์รอนโพลีฟีนอลฟูอรายแค่นซีเยมเหล็กแมกนีเซียมสังกะสีสารต้านอนุมูลอิสระฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารประกอบอื่นในข่าวตองที่น่าสนใจเช่นทำลายเซลล์ ม, มะเร็งในหลอดทดลองได้หลายชนิด ออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อไวรัสเชื้อแบคที ria เ, เชื้อราก่อโรคที่สำคัญหลายชนิดในหลอดทดลองได้ข่าวต่อต้านการอักเสบบวมแดงได้ออกฤทธิ์ช่วยขับปัสสาวะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันโดยกระตุ้นการแบ่งตัวของเซลล์เ ม, ม็ดเลือดขาวชนิดมาโครฟาตและลิมโฟไซต์ที่ทำหน้าที่ภูมิคุ้มกันเช่นการจับกินสิ่งแปลกปลอมโดยเพิ่มปริมาณของไลโซไซเอนไซม์เช่นแอซิดฟอสฟ a ทส ไลโซไซมอินเตอร์ลูคิน1เบต้าและอินเตอร์ลูคิน2ได้ส่วนความเป็นพิษของข่าวตองพบว่ามีความเป็นพิษน้อยมากจึงมีผู้พัฒนาสมุนไพรจากข่าวตองจนกระทั่งนำไปจดสิทธิบัตรมากมายโดยแบ่งเป็นกลุ่มตามสรรพคุณเช่นรักษาภูมิแพ้ปฏิกิริยาไวเกินเช่นหอบหืดอัตโทรปิกเอ็กซิมาอัตโทปิกเดอร์มัทิทิสอัลลิจิกคอนจังติวทิสอัลลจิก ไ n i t ทิ Food a r ิร a e ีไฮ g ปอร์ e อ i g e s ซิน r ดรมภูมิต้านทานต่อเนื้อเยื่อของตนเองเช่นรูมาตอยอาร์ไทท r um i สสองรักษาภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องโดยเป็นส่วนผสมในตัวยารักษาผู้ป่วยเอดสผู้ป่วยมะเร็งหรือผู้ได้รับสารกดภูมิคุ้มกันเช่นสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกาหมายเลข U.S 2 0 0ศ0 0 6 4 4 6 3สูมเสริมผมคุ้มกันยับยั้งและฆ่าเซื้อมะเร็งเบาหวานตับอักเสบตับแข็งไตอักเสบเนื้อปอดพองลมขจัดสารพิษเช่นสิทธิบัตรวัยศูนย์ไพรที่ทำจากข่าวตองอนุสิทธิบัตรไทยเลขที่2267สิทธิบัตรจีนหมายเลข CN1130520 หรือ cn 137 047ในประเทศไต้หวันพบว่าน้ำหมักพืชหลายชนิดช่วยลดอาการแพ้ในเด็กจึงมีการทดลองใช้น้ำหมักพืชหลายๆชนิดรวมทั้งน้ำหมักขาวตองพบว่ามีกลไกในการกดสารแพ้สัมผัสได้มีรายงานศึกษาวิจัยที่น่าสนใจที่แสดงถึงคุณประโยชน์ของสมุนไพรขาวตองเป็นโครงการคัดกรองสมุนไพรกาจัดเชื้อไวรัส ของศูนย์การแพทย์ของศูนย์ป้องกันทางการแพทย์แห่งชาติจีนซึ่งการทํางานได้ประสบผลสำเร็จในการคัดกรองสารสมุนไพรประมาณ100ชนิดที่มีผลยับยั้งเชื้อไวรั ส, สที่ทำให้เกิดโรคซาได้แล้วสารเหล่านี้คัดกรองมาจากสารประกอบกลุ่มเทพปไทด์และสารสกัดสมุนไพรประมาณ 12,000 มชนิดในบรรดาสมุนไพรทั้งหลายที่นามาวิจัยกันในครั้งนี้ นักวิทยาศาสตร์พบว่าหนึ่งในสารหึมนสองพันชนิดดังกล่าวสารสกัดจากข้าวตองซึ่งเป็นสมุนไพรที่เป็นตัวยาประกอบทั่วไปในตำรับยาจีนสามารถป้องกันเซลไม่ให้ติดเชื้อไวรัสซาในหลอดทดลองได้อีกทั้งสามารถฆ่าเชื้อไวรัสซาในเซลที่ติดเชื้อไวรัสซาได้รวมทั้งไวรัสที่มีเปลอกด้วยข้าวตองป้องกันการสลายตัวของโปรตีน หรือโปรตีนแฟกเ t ชันป้องกันการแพ้ชนิดรุนแรงหรือアナฟ a c t ติกช็อ k ข้อมูลการประยุกต์ใช้ข่าวตองในคอมเพลเมน t a ารีแอนด์อ r เทอเ v ทีฟฮ r i ิ่งยูนิเวอร์ซิตี้กล่าวว่าสมุนไพรข่าวตองมีประโยชน์ในการประยุกต์ใช้กับโรคหรืออาการต่างๆในทางการแพทย์หลายชนิดเช่น 1. รักษาโรคทางเดินหายใจอักเสบหรือ information of the respiratory t r a c ส 2. รักษาโรคหลอดลมขยายตัวมากเกินไปหรือ Over expansion of b ชันของบ้อายสรักษาโรคไอกรน 4. รักษาอาการข้างน้ําในอกจากโรคมะเร็ง 5. ป้องกันการติดเชื้อหลังผ่าตัด 6. ลดไข้เ รักษาโรคท้องเสียจากการติดเชื้อแบคทีเรีย 8. รักษาตับอักเสบชนิดดีซ่าน 9. รักษาอาการไตผิดปกติ 10. รักษาแผลอักเสบคอมดลูก11รักษาการอักเสบบริเวณกระดูกเชิงกราน 12. รักษาการอักเสบชนิดธรรมดาบริเวณแก้วตา 13. รักษาการอักเสบในโพรงจมูก14 รักษาการอักเสบมีหนองในหูชั้นกลาง15รักษาโรคหัด16รักษาโรคต่อมทอนซิลอักเสบจากการระบาด17รักษาเนื้อ ง, งอกในเส้นเลือด18ป้องกันโรคจากพยาติหัวใจช่วงเรื่องน่ารู้กับสมุนไพร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 โรภัยช่างมีมากม